รู้สึกว่าน้อยจะนอนรวมอยู่กับพวกเราที่นี่แหละค่ะแต่เห็นภาพอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดมีขบวนพยุหายาตาเคลื่อนผ่านตรงที่เราพักนอนนี่เข้ามาพวกนักรบแต่งกายแปลกๆถืออาวุธเดินด้วยเท้านํามาเบื้องหน้าต่อมาก็เป็นขบวนเครื่องดนตรีในสมัยโบราณที่น้อยไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนมีพวกคล้องปีและกรองถัดจากขบวนดนตรีก็มีนักรบร่างสูงใหญ่กํายำแปคนแบกเสลียงคานหามมีอาสนะหรือบรรลังอยู่บนเสลียงสูง หญิงคนหนึ่งนั่งเป็นสง่าอยู่บนอาสนะแต่งกายและประดับด้วยเพชรนิมจินดาวุบว่าพราวตาไปหมดลักษณะเป็นนางกษัตริย์มีมงกุฎเป็นรูปงูมรกตรัดอยู่เหนือศีรษะหล่อนเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากทั้งเสื้ทรงและใบหน้าขบวนแห่แห่ก็ยาวเหยียดเต็มไปด้วยข้าทาสบริวารและกองทหารเป็นกองทัพทีเดียวเป็นตุเป็นตาดีนี่ ชั ย, ยันผู้ไม่ระแคะระคายอะไรมาก่อนร้องขึ้นเป็นตรงข้ามกับเชษฐาและละผินในยามนี้แทบจะสะดุ้งเอกใจในคำบอกเล่าของดารินขึ้นมาในทันทีนั้นหันควับมามองหน้ากันโดยไม่ได้นัดสำหรับชยยันนั้นอย่างไรก็ตามยังไม่วายตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ไปคนละความหมายกับ สองคนกล่าวต่อมาว่าเธอทำให้ฉันหวนนึกไปถึงความฝันของตนเองที่เคยเล่าให้ฟังไว้ก่อนแล้วเมื่อสองสามคืนก่อนมันน่าจะตรงกันอย่างหนึ่งนะคือหญิงงามลักษณะเป็นนางกริย์หรือนางพยาผู้มีมงกุฎรูปงูประดับเสียนไอ้ที่ฉันฝันเห็นนอนนิ่งอยู่ในโรงแก้ว กองปราสาทอันปรักหักพังส่วนที่เธอเห็นนี่กับเป็นสภาพที่หล่อนนั่งมาบนเสลี่ยงท่ามกลางกองเกียติยศที่แห่แหนเอ๊ะนี่มันยังไงกันนางพยาองค์เดียวกันหรือเปล่าอย่าเพิ่งมองเห็นเป็นเรื่องขบขันนักมนุษยวิทยาสาวติ่งเบาๆใบหน้าขรึมจริงจังดวงตาทั้งคู่หลีลงมือมองออกไปยังความมืดของป่าเบื้องนอกอย่างพยายามทบทวนมนโนภาพ ฉันบอกแล้วว่ามันเป็นความฝันที่แปลกมากเพราะเป็นภาพที่มองเห็นอย่างเด่นชัดไม่ผิดอะไรกับเหตุการณ์ที่เห็นในจอภาพยนตร์ทีเดียวฉันเห็นส่วนละเอียดของเหตุการณ์นั้นโดยตลอดและจําได้แม่นยําทั้งหมดแม้กระทั่งลายของพัดโบหรือวิชณีขนหางลูกยูงที่ปักประดับอยู่เหนือวอทองจําหน้าของบุคคลอันมีทั้งพวกสาวสนมกำนันที่แวดล้อมพวกนัก บ, บวชและทหารเอกที่ห้อมล้อมเสลงอันนั้นมาได้ชนิด ที่ว่าถ้าปรากฏเป็นคนจริงมายืนปะปนเรียงเข้าแถวกันแล้วก็จะต้องชี้ตัวถูกว่าใครเป็นใครบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีครั้งนี้นางพญาองค์นั้นทรงใบหน้ายาวเรียวผมดำสนิท เป็นขนกาน้ำยาวจหลดหลังปล่อยสยายทั้งใบหน้าและเครื่องแต่งกายเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายเราดีๆนี่เองเขาหน้านั้นงามอ่อนเยาวแต่แข้งขึมนั่งนิ่งเหมือนหุ่นปั้นรู้สึกคล้ายกับว่าจิตใจคลองไว้ด้วยความกัดกุ้มทุกเศร้าอย่างไรบอกไม่ถูกแต่ถึงอย่างไรลึกลงไปในแววตาเมือลอยซุมเสื้อนั้นมีแววแห่งความรักความเสน่หาแฝงซ่อนเก็บงามอยู่มิดชิด ถูกแล้วหล่อนกำลังมีรักอันซ่อนเร้นอยู่กับใครคนหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลออกไปนะเดินขนาดพิทักษ์อยู่เบื้องขวาเป็นบุรุษวัยหนุ่มชะกันร่างสูงใหญ่ในเกราะเงินอันสกาววาววับซึ่งสายตาทั้งสองสบกันอยู่บ่อยครั้งขณะที่กระบวนญาตาเคลื่อนไปเสียงของหล่อนแผ่วจางหายไปมีอาการเหมือนจะพึมพามรำพึงกับตนเองลักษณะตกอยู่ในห้วงเคลิมผวางราวถูกสะกด ท่ามกลางความเงียบงันอย่างพิศวงของอีกสามคนที่สดับฟังอยู่ใช้ถาเอื้อมมือมาจับปลายคางน้องสาวเขยา่าเบาๆเป็นการปลุกสตินักมนุษยวิทยาสาวสะดุ้งนิดหนึง่งลืมตาสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ยังบวกวนผนึกแน่นอยู่กับมโนภาพในห้วงคิดเล่าต่อไปให้หมดสิน้อยเห็นอะไรอีกบ้างน้อยเพอ้อเจ้อไปมากไหมคะดารินเอ่ยเบาๆ เหมือนจักรกซิปเชยถ่ายยิ้มให้บอกมาอย่างปลอบใจว่าเราไม่ได้สนใจในประเด็นที่ว่าความฝันของน้อยเพิร์เจอร์ไปแค่ไหนแต่พวกเราอยากจะรู้ว่าความฝันอันมองได้ราวกับตาเห็นนั้นมันดําเนินอย่างไรต่อไปไม่พานเสียงของหล่อนเอ่ยเรียกระพินเบาเบามองฝาความมืดมายัางร่างอันนอนนิ่งฟังของเขาครับผมหวังว่าถ้าคุณบังเอิญฟังอยู่ก็คงไม่หัวเราะเยาะชะนะผมกําลังตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณหญิงเล่าด้วยความสนใจอ ย, อย่างที่สุด มันเป็นความรักที่จะต้องปิดบังและดูเหมือนจะถูกกีดกันห่วงห้ามด้วยอำนาจอะไรสักอย่างที่ควบคุมอยู่เหนือกว่าหล่อนเล่าต่อไปด้วยกระแสเสียงเดิมเพ้อเพฝันฝันอย่างคนที่มีอะไรมาโดนใจให้พูด เบื้องหน้าเสลี่ยงคาวถามเป็นกลุ่มของเรานักบวชที่ทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างเดินนําไปและใจกลางของกลุ่มนักบวชเหล่านั้นมีหัวหน้าประธานอยู่คนหนึ่งลักษณะเป็นปุโรหิตเดินสวดประพรมน้ํามนต์ไปเบื้องหน้าจากท่าทีเห็นชัดว่าเต็มไปด้วยอํานาจกิริยามนมายามื่เป็นชายวัยกลางคนร่างสูงตาคมกว้างกอบไปด้วยมหิดตะวิทอย่างพ่อมดหมอผีศีรษะโล้นเกลี้ยง บุโลหิตผู้นั้นเคลื่อนไปเบื้องหน้าในลักษณะถอยหลังเดินหน้าหันไปเผชิญกับนางพญาบนเสลียงและจ้องนิ่งอยู่ตลอดเวลาปากก็สาธยายมนและประพรมน้ำมนในหม้อสีดำที่บริวาลถือประคองอยู่ อำนาจทั้งหลายแหลในกระบวนทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่นางพญาบุญวอทองแต่ดูเหมือนว่ามันไปรวมอยู่ที่ชายนักบวชผู้นี้จนหมดสิน้นนักบวชผู้นั้นจ้องหลอนด้วยสายตาของงูที่สะกดนกและวัตถุประสงค์อันลี้ลับส่วนนักรบหนุ่มในเกราะเงินก็ดูจะเท่าทันในประสงค์อันชั่วร้ายนั้นการของเขาขบนูนเป็นสันและมือแตะอยู่ที่ด้ามดาบตลอดเวลารับลมคมในนี้รู้กันอยู่เพียง3ามคนปุโรหิตพ่อมดนางพญาผู้เล่ และขุนทัพหนุ่มคู่ใจคนนั้นและแล้วทันทีนั้นเองดารินก็หันขวับไปทางเชษทา้าจับแขนขระยาวโดยแรงและล่ำละลักออกมาว่าน้อยจำได้แล้วค่ะชายนักบวชในภาพฝันที่เดินอยู่หน้าวอลของนางพญาเลอโชมลักษณะมันไม่ผิดอะไรกับ้ศพตายซากที่น้อยเห็นมันโผล่ออกมาตรงซุ้มไม้และลงไปนอนแช่อยู่ในแอ่งน้ากินที่พวกเราพบนั่นเอง ความเงียบงันปกคุมไปชั่วขณะระหว่างที่เชษฐากับชัยยันงงงวยที่จะกบคิดปัญหาใดๆได้นั้นละพิมพ์ภัยวันก็ผุดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเสียงไลเตอร์สว่างพึบเขาจุดบุหรี่ขึ้นเป็นตัวแรกเล่าต่อไปสิครับคุณหญิงคุณหญิงเห็นอะไรอีกเสียงฮ้าฮ่าของเขาทำลายความเงียบ ฉันเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเพียงแค่นี้เองก็พอดีตกใจตื่นเพราะชัยยันปุกพอมาหลับตานึกทบทวนก็เพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่ากุลหิตในฝันเหมือนกับไอ้ผีตายซากลึกลับที่กำลังเป็นปริศนาของเราและกลุ่มสํารวจของเคลเมอร์เมื่อ40ปีก่อนนี้ไม่มีผิดเ้ารูปล่างและใบหน้าของมันเครื่องแต่งกายของมันขาดอย่างเดียวเท่านั้นคือดวงตาถ้ามันลืมตาให้เราดูได้ฉันจะบอกได้ทันทีว่ามันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะในฝันจําดวงตาอันเต็มไปด้วยจิต ตานุภาพของมันได้อย่างแม่นยำที่สุดมันใหญ่วาวเหมือนตาเสือจำได้หรือเปล่าครับว่ากระบวนพยุหายาตาของนางพญาองค์นั้นผ่านไปในภูมิประเทศเช่นไรในฝันว่าคุณหญิงนอนอยู่ตรงนี้ที่เราพักอยู่นี่และกระบวนกนั้นผ่านเข้ามาให้เห็นหรือว่าไปเห็นจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งดารินนั่งคิดทบทวนอยู่ครู่กัดลินฝีปาก ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ขณะที่ฉันนอนอยู่กับพวกเราทั้งหมดตรงนี้แต่ที่ไปเห็นเหตุการณ์ในกระบวนแห่อย่างใกล้ชิดนั้นจะเป็นจากการเห็นจากสายตาที่อยู่ตรงนี้แล้วแลออกไปพบหรือจะเป็นการเห็นขณะที่เจ็ดสิบกล่องล่องลอยไปยังที่ใดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหตุการณ์หรือฉากมรรันควรจะเป็นกลางวันเพราะเห็นทุกอย่างสว่างสวัยแจ่มชัด แล้วหล่อนก็คว้าไฟฉายส่องออกไปยังราวป่าที่แวดล้อมรอบด้าน แต่ภูมิประเทศมันไม่เหมือนกับป่าที่ล้อมเราอยู่ในขณะนี้เลยมันเป็นถนนสายหนึ่งมองเห็นปราการและกำแพงเมืองอยู่ด้านหลังส่วนทางด้านหน้าเป็นทุ่งละมะ่อนำไปสู่อาการปลูกสร้างลักษณะเป็นเทวไลภาพเมืองที่เห็นก็ดีหรือลักษณะของเทวไลก็ดีมันแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองทีเดียวมันเป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งคำนวณไม่ถูกว่าย้อนกลับไปกี่ร้อยกี่พันปีแต่เป็นยุคที่เรืองรองสังเกตได้จากลักษณะของผู้คนเครื่องแต่งกายพิธีกรรม และสิ่งแวดล้อมอื่นๆคุณหญิงเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยตัวเองพอวินิจฉัยได้ไหมว่าภาพที่เห็นในลักษณะฝันนั้นมันเกิดขึ้นจากห่วงคิดคำนึงสร้างมโนภาพขึ้นหรือว่ามันเกี่ยวกับสภาวะเหนือธรรมชาติของจิตซึ่งส่งย้อนหลังไปกระทบกับขึ้นของภาพจิตในอดีต หมอดาดิงยกมือขึ้นกลุ่มขมับแล้วสั่นศีรษะอย่างอัดอั้นฉันก็บอกไม่ถูกวิเคราะห์ไม่ได้แต่สาบานได้ว่าฉันไม่เคยคิดฝันถึงภาพเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยมันเป็นไปได้เหมือนกันในข้อที่ว่าคนเราอาจจะฝันเลอะเทอะไปในสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นหรือมีความคิดมาก่อนเอ๊ผมว่ามันก็เข้าเขาอยู่เหมือนกันนะภายหลังนั่งคิดงานอยู่ครู่ใหญ่ชัยยันก็พึมผำขึ้น ดงมาหาการที่เรากำลังงุ่มง่า ม, มางายอยู่นี่เมื่ออดีตส ก, กิ่หมื่นปีพันปีมาแล้วมันอาจจะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรใดอาจักร การค้นคว้าทางโบราณคดีในยุคใหมน่นี้ก็สอนให้เรารู้กันแล้วว่ามนุษย์เราได้เกิดขึ้นมาแล้วและดับศูญหมดเผ่าพันธุ์ไปแล้วตลอดจนเกิดขึ้นมาใหม่อีกสลับสับเปลี่ยนกันเช่นนี้บนเวียนอยู่สักกี่รอบกี่สมัยก็ยังไม่สามารถจะกําหนดได้การที่จะมองย้อนหลังและกลําหนดลงไปได้ชัดเจนมนุษย์ได้เกิดมาเจริญอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ไม่กี่หมื่นปีและสืบท อ, อดเผ่าพันธุ์มาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี้มันล้าสมัยไปซะแล้ว จากหลักฐานบางอย่างที่ค้นพบปรากฏว่านับเป็นล้านปีก่อนก็คือได้มีมนุษย์เกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองมาแล้วเหมือนกันการที่เราไปค้นพบหลักฐานอะไรเข้าแต่ละชิ้นอันเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ชาติในอดีตจึงยากที่จะคำนวณได้ว่ามันเป็นหลักฐานในรอบวิวัฒนาการครั้งที่เท่าใดของมนุษย์ชาติเพราะมันไม่ได้มีอยู่รุ่นเดียวเหมือนอย่างที่เข้าใจกันแต่แรกทีนี้ภาพเหตุการณ์ที่น้อยเห็นในฝันอาจเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในอดีตการละยุคใดยุคหนึ่ง หุงนเวียนปะปนอยู่ในกระแสขึ้นอากาศพอได้จังหวะเลิก ง, งามยามดีของมันซึ่งจะต้องสัมผัสได้กับภาวะจิตของน้อยเข้าพอดีบันดาลให้กรองรับภาพนั้นเข้ามาแบบเดียวกับจอโทรทัศน์ มารองพิจารณาดูอีกทีมันก็เข้ากันได้กับที่ไอ้ผีกองกอยมันเคยพูดเปลาไปผ่านแง่ทายในคืนนั้นมันบอกว่าเราต้องเดินเข้ามาสู่นครแห่งหนึ่งในอดีตการเดี๋ยวนี้เราอาจเหยียบล้ําเข้ามายังดินแดนที่เคยเป็นมหาอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งที่การเวลาได้ผ่านไปเป็นกรรมรับเปอร์สารหลายกรรมมาแล้วก็ได้การเวลาและการหมุนเวียนของโลกอันเป็นดาวนุบเราะ์ดวงหนึ่งทําให้มืองกลายเป็นป่ารงพงผีไป เอก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันตามทฤษฎีของแกแต่สําหรับฉันอยากจะคิดว่ามันมีอํานาจอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาชักนําหรือสะกดให้น้อยฝันเห็นเหตุการณ์นั้นไปมากกว่าเชิดาพูดแผ่วเบาแล้วหันไปทางจอมผ่านเห็นจะไม่จําเป็นต้องปิดพวกนี้แล้วกระมังว่าเมื่อกี้เราสองคนได้ยินเสียงประหลาดอะไรผมรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวพันกันพอดีนะกับความฝันของน้อยคําพูดของเชิดาทําให้ดาวินกับชา ย, ยันจ้องมาอย่างตื่นตื่นหมายความว่ายังไงสหายของเขาร้องถามมาเร็วปื้ เช่ถาก็ตัดสินใจบอกความจริงให้น้องสาวและเพื่อนทราบว่าก่อนที่ทุกคนจะตื่นขึ้นเขาและระพินนอนฟังเสียงประหลาดอะไรอยู่ก่อนแล้วมันแปลกอยู่ที่ว่ามีชั้นกับระพินได้ยินพร้อมกันอยู่เพียงสองคนเท่านั้นเรานอนเงี่ยวหูจับฟังกันอยู่แต่ปรากฏว่าเกิด จันไม่ได้ยินอะไรเลยหัวหน้าคณะบอกในตอนท้ายชา ย, ยันหันความไปทางพานใหญ่โดยเร็วจริงหรือและพินที่คุณได้ยินเสียงอย่างเชิดถาบอกเป็นความจริงครับจอมพานรับคำแผ่วเบาดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอลืมตาโพลถ้างั้นมันก็ตรงกับความฝันของฉันนะสิ คุณหญิงฝันเห็นภาพโดยถนัดชัดเจนแต่สำหรับผมกับคุณชายแววมาแต่เสียงเท่านั้นถ้าจะผิดกันก็เพียงแต่คุณหญิงฝันส่วนผมกับคุณชายได้ยินกับหูจริงๆขณะที่ยังตื่นอยู่แรกเราก็เข้าใจว่าอุ ป, ปทานแต่พอซับซ้อมกับคุณชายก็ปรากฏว่าเราได้ยินตรงกันทุกอย่างมันลอยๆมาอย่างไรบอกไม่ถูกกำหนดทิศที่มาไม่ได้ชายยันถูฝ่ามือทั้งสองเข้าหากันเพื่อให้เกิดความร้อนความรู้สึกของเขาอย่างนี้ยากที่จะบรรยายได้สีหน้าปั้นยากที่สุด ขณะนั้นมาเรียผู้แยกไปนั่งเผิงไฟอยู่ก็เดินกลับมารวมพวกและได้รับทราบเรื่องราวโดยตลอดนักระจญภัยสาวเลือดผสมตกอยู่ในอาการงุนงงอัศจรรย์ใจไม่น้อยไปกว่าทุกคนเรากําลังหลงเข้ามาในดินแดนแห่งความลี้ลับมหัศจรรย์อย่างไทยอะไรไม่ถูกสักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นคําถามไปหมดหล่อนล้องออกมาเบาๆบังเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นมาอีกทั้งที่ได้ไออุ่นจากกองไฟมายกหยก ไม่ใช่เพียงแค่คำถามอย่างเดียวเท่านั้นกลิ่นไอของมันส่อความไม่ชอบมาพากกลนอย่างไรบอกไม่ถูกมันเป็นรางร้ายมากกว่ารางดีชัยยันว่าตากล้านก้าวมองหลีออกไปยังราวป่าอันมืดสนิทเบื้องหน้าประดุดม่านดำที่ปกคลุมหีบศกมะขึงกั้นไว้ฉันสงสัยแต่แรกแล้วตื่นขึ้นมาเห็นภัยวันกับพี่ใหญ่นั่งซุบซิบอะไรกันอยู่มันน่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแต่เห็นกบเกลือนซะ ผมกระพานใหญ่พิจารณาครั้งแรกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งไร้สาระจึงไม่ได้บอกให้รู้พอได้ยินน้อยเล่าถึงความฝันซึ่งเหตุการณ์บางส่วนตรงกันน้อยเห็นกระบวนแหในภาพนิมิตส่วนเราสองคนได้ยินเสียงจากประสาทหูทั้งสองข้างเวลามันก็เป็นเวลาเดียวกันเชฐถาตอบเนิบเนิบหยิบกล้องยาเส้นขึ้นมาบรรจุสุววง่วงของทุกคนหายไปปิดทิ้ง จุดสะดุดสยองใจอย่างลี้ลับเกิดขึ้นในใจของทุกคนขณะนี้มันไปอยู่ที่ประโยคบอกเล่าครั้งสุดท้ายของดารินวรริศในข้อที่ว่านักบวชโลนที่หล่อนเห็นในภาพฝันนั้นมีรูปลักษณะเดียวกับศพตายซากลึกลับที่พบเมื่อตอนกลางวัน สิ่งที่จะต้องมาวินิจฉัยใคล้ควรกันก็คือความฝันของมนุษย์วิทยาสาวเกิดขึ้นเพราะอะไรจิตใต้สำนึกอันหวาดประวันเป็นทุนอยู่ก่อนแล้วของหล่อนสร้างมโนภาพขึ้นมาเองหรือว่ามันมีอะไรที่ซ่อนเร้นแอบแฝงเป็นตัวบรรดาลชักจูงอยู่ เมื่อต่างก็หันหน้าเข้าขบคิดไตรตรองในประเด็นนี้เชชิาก็ถือโอกาสเปิดเผยในสิ่งที่ทั้งเขาและละพินรับรู้กันไว้เพียงเฉพาะ2ต่อสองให้คณะพักทราบโดยตลอดเกี่ยวกับคำพูดในลักษณะเพ้อพวังของแง่ทรายนักคืนที่ไอผีกองกอยปรากฏตนขึ้นให้เห็นเป็นคืนแรกนั่นคือมายาวินคัมพีอุบาทมันตรยปุโรหิตพ่อมดร้ายและพันธุมวดีนางพญาแห่งนครหลัก สิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิปติ์ต่อเชื่อมโยงเข้ากันมันก็เริ่มจะเกิดโครงร่างขึ้นไรๆสำหรับการหาสมมุติฐานแต่ก็เป็นภาพๆเรือนสุดประมาณ ชายยันก็เพิ่งจะมาทราบเอาบัตรนี้เองว่าความฝันในคืนหนึ่งของเขาที่เห็นภาพของสตรีสาวสวยในอาพรประดับอันเป็นลักษณะของนางกษัตริยุคอดีตซึ่งนอนอยู่ในหีแก้วผลึกกลางประสาทร้างนั้นก็คือภาพที่แงสายได้เคยบอกไว้กับเชษฐถาและรับินก่อนแล้วโดยที่เขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหรือรับภาพพจน์นั้นมาก่อนทว่ามันก็ตรงกันได้อย่างแปลกประหลาด โรงแก้วนั้นวางอยู่บนแท่นหินใจกลางคูหาใช่ไหมเชตฐาถามโดยยึดถือคำบอกเล่าของแางชายเป็นเครื่องสอบภายหลังจากนิ่งทบทวนอยู่อึดใจชา ย, ยันก็ก้มศรีรษะใช่มันยังติดตาฉันอยู่จนเดี๋ยวนี้เป็นภาพติดตาไม่ผิดอะไรกับที่น้อยได้พบเห็นและอ้างถึงเมื่อตกี้นี่แหละ ลงแก้ววางอยู่บนแท่นหินสูงขนาดอกเป็นฐานเรียบเกลี้ยงสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะไม่ใช่ซากศพแต่เป็นเหมือนคนนอนหลับเพราะผิวพันธุ์อันอิ่มเอิบแต่งตึงมีน้ำมีนวลอย่างคนธรรมดาคนหนึ่งในฝันแกเห็นลงไปยังโพรงใต้แท่นหินนั้นด้วยหรือเปล่าไม่เห็นแต่แง่ท า, ายเห็นนั่นเป็นคำพูดที่มันได้บอกกับฉันและลพินไว้ใต้แท่นหินนั้นมีกริดเล่มหนึ่งปักตึงติดอยู่กับคำภีร์เล่มหนึ่งทําด้วยหนังมนุษย์ในคำภีร์จารึกไว้ด้วยอักขระ ไอ้คำพีอันนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่มีชื่อว่ามหายาวินมหาคำพีอุบาทตามที่แงสายเพอพูดและนางที่หลับอยู่ในโรงแก้วก็คือพันธุมะวดีนางพญาแห่งนครหลับแล้วอีกประโยคหนึ่งล่ะที่ว่ามันไตปุโลหิตพ่อมดร้ายชายยันสวนมาโดยเร็วเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ก็ควรจะเป็นเจ้านักบวชโลนที่น้อยมองเห็นในภาพฝันตามที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นั่นเองถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราต่างสัมผัสเข้ามาโดยสัญชาตญาณประหลาดนี้ไม่เป็นเรื่องที่บังเอิญมาประสานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นเกียวโซ่ถูกแล้วเรารู้มาว่ามันมีความสัมพันธ์กันแต่จะสัมพันธ์กันอย่างไร ใครจะบอกได้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับไอ้พวกผีกองกอยที่ชักจูงเราให้เดินหลงทางมาเกี่ยวข้องกับไอ้ข้างคาวผีศพตายซากประหลาดและเสือดำใหญ่ตัวนั้นผูกพันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเท่านั้นภายวันทุกคนกำลังช่วยกันใช้ความคิดคุณโมแตทำอะไรอยู่มาเรียหันไปถามเบาๆอย่างขอความเห็นจอมพานยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นลูปใบหน้า ผมจนต่อปัญญาที่จะคิดอะไรได้ทั้งสิ้นรู้เพียงแต่ว่าพวกเราทั้งหมดกําลังประสบความยุ่งยากกันอย่างที่สุดมันมีปัญหาอยู่หลายชนิดสลับซับซ้อนกันอยู่และเราจะต้องแก้ไขไปทีละเปาะเอาเพียงแต่เฉพาะหน้าตามลําดับไปเท่านั้นการที่จะพยายามอ่านอะไรให้ตลอดและพยายามจะเข้าใจในสิ่งที่เกินปัญญาจะเข้าใจได้นั้นมันอาจทําให้เราเป็นบ้าเสียงของเขาห้วนเฉียบลุกขึ้นยืนบิดกายอย่างไม่หยุดหย่อแล้วออกเดินเกละไป ร, บรอบๆที่พัก ไม่มีใครอ่านใจถูกว่าระพินภัยวันกำมังคิดเช่นไรณบาัดนี้เขายืนอยู่ยังแนวไฟกองสุดท้ายด้านตะวันตกหันหน้าไปยังแอ่งน้ําม่วงซึ่งปกคุมอยู่ในความมืดสนิทลมดึกโชยแผ่วมาวูบนึงกลิ่นสางชุนกึกที่ลอยมาตามลมทําให้แทบผงะสัญชาตญาณของจอมพานทําให้เขาต้องถอยหลังพ้นแนวกองไฟกลับเข้ามายัางแคมป์โดยเร็วจับจ้องอยู่ฝ่าความมืดไปยังทิศทางเดิมอยู่เช่นนั้นส่งไฟฉายกระไรเฟิลมาให้ผมเร็ว เขากระซิบเร็วปือทุกคนใจหายวูบโดยน้ำเสียงและอาการของเขาดาวเรนกับมาเรียขยับตัวแต่ชา ย, ยันกดไหลสองหญิงบังคับให้นิ่งสงบอยู่อย่างทันเหตุการณ์ส่วนเชื้าส่งจุดสีหและไฟฉายของตนเองไปให้อย่างเบากลิบรับผิดรับมาถือกระชับไว้ในมือการไม่กระโตกกระตากหรือเคลื่อนไหวอย่างไรให้มันเป็นที่ผิดปกติของกลุ่มนายจ้างตรงตามความต้องการของเขาอย่างยิ่ง นพินประกบฮันเตอร์ใต้กระโจมมือขณะที่ประทบไรเฟริลขึ้นไหลแล้วกดสวิตช์สว่างจ้าเป็นลำพวยพุ่งออกไปในทันทีนั้น ขดหินดำมาเมื่มลูกหนึ่งกระทบแสงไฟขณะที่กวาดผ่านอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณแอ่งน้ําจอมพานใช้เลยผ่านไปซะกวาดสูงไล่ขึ้นไปยังกลุ่มพุ่งพงเหนือขึ้นไปเขาต้องการหาเป้าดวงตาสะท้อนแสงอันเป็นหลักธรรมดาทั่วไปของการหาเป้าในเวลากลางคืนไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิน้นบัดนั้นเองก็ชักเอกใจอะไรบางอย่างเท่าที่จําได้ริมแอ่งน้งนํามูดมันเคยว่างโล่งไม่มีก้อนหินลักษณะเช่นนั้นอยู่ใกล้เคียงเลยแต่เมื่ออึดใจนี้ไฟฉายของ ขเขาเหตุรายจึงกรดไปกระทบเข้ากับสิ่งแปดปลอมนั้นเข้ากดไฟรูปต่ำลงอีกครั้งนิ้วแตะอยู่ที่ไกลหัวคิ้วขมวดเขาน่าจะแน่ใจอย่างไรในเมื่อไม่เห็นดวงตาอันควรจะสะท้อนแสงไฟตอบมาเลยสมมุติว่าหากนั่นมันเป็นสัตว์พอเบี่ยงไฟฉายจะใช้ไปที่อื่นรัศมีจากลำแสงที่สาดแผ่ออกไปยังบริเวณใกล้เคียงกับโฟกัสนั้นก็ส่องให้เห็นอาการเคลื่อนไหว น, น, น้อยจากสิ่งที่มองเป็นก้อนหินนั้น ผ่านใหญ่กวาดไฟกลับมาอีกครั้งก็พอดีกับที่เจ้าสิ่งนั้นพุ่งพวดขึ้นเนินสูงจุด 4-5-8 ก็ระเบิดตูมเกิดกล้องราวกับฟ้าผ่าท่ามกลางความเงียบน้ำและสะเก็ดหินที่แองม่วกแตกเป็นปีกกระจายสูงกระสุนนัดนั้นช้าไปเพียงหนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้น ทุกคนรวมทั้งพานพื้นเมืองที่นอนหลับกันอยู่กระโจนพูดขึ้นยืนเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินกระชากลูกเรื่องอย่างรวดเร็วดึงต่อกระสุนเก่าทิ้งกระแทกนัดใหม่ขึ้นรังเพลิงแล้วออกลั่นทลากวาดตามอย่างบ้าดีเดือดแต่นั่นไม่เร็วไปกว่าเชิดาซึ่งกระโดดเข้าล็อกคอไว้ยาตามหัวหน้าคณะร้องห้ามสุดเสียงระพินสะบัดแต่แล้วก็ได้สติชนะกอยู่กับที่ตาทั้งกู่ลุกวาวจ้าจ้องแทบถลนจับไปยังที่เก่า ไฟฉายอีกหลายกระบอกก็ประสานจ้า ก, กันออกไปครั้งนี้เองไรเฟริลและลูกซองอีกหลายกระบอกก็แผดระงมประสานกันอย่างหูดับตับไหมก้อนหินและปุ้มพงตามแนวเนินฝั่งตรงข้ามแบ่งน้ำมกนั้นกระจายเป็นฝุ่นฟุ้งตลบทุกคนเห็นแต่บ้านท้ายดำสนิทที่ตัดหลบแสงไฟไปราวกับแนวปีศาจแนวกระสุนไล่หลังตามไปติดๆนัดแรกของคุณพาดหรอ ชายันเพ่นเข้ามาถามกระหืดกระหอบเราเพ่นแยกเขี้ยวสีหน้าของเขายามนี้น่ากลัวที่สุดเป็นนิดเดียวเท่านั้นสองพบครั้งแรกแล้วแต่เลยผ่านไปเสือไอเสือมหาไวร้า ย, ายนั่นไม่เหมือนกับเสือทุกตัวที่ผมเคยพบตามันไม่สะท้อนแสงไฟเสียงของเขาเกือบจะเป็นคำรามหมายความว่ายังไงเชิดถาร้องลั่น ก็หมายความว่าทั้งๆ ท, ที่มันนอนหมอบหันหน้ามาทางแสงไฟแท้ๆและไฟก็ส่องเข้าจังหน้าแต่ไม่มีสแสงสะท้อนเลยนะสิครับทำให้ผมคิดว่ามันเป็นพุ่มไม้หรือโขดหินมาไหวทันตอนที่มันแววงตัวกลับขณะที่โฟกัสไปเปลี่ยนที่แล้ว ทุกคนอุทานก้องอย่างตกใจในคำร้อนรนของเขาตาไม่สะท้อนไฟมันก็ไม่ควรจะเป็นเสือมาเลียหลุด ป, ปากออกมามันไม่ควรจะเป็นเสือแต่มันก็คือไอ้เสือมหาการตัวนั้นแหละมันหมอบดูเราอยู่ที่แอ่งน้ำมวงย่องเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบบังเอิญลมเปลี่ยนทิศเลยได้กลิ่นซะก่อนที่มันจะเข้ามาได้ใกล้กว่านี้ ไม่ทันขาดเสียงพูดเร็วปือของเขาก็มีเสียงคำรามขึ้นดังมาเบาจากถ้ำหินเบื้องบนฟากตรงข้ามและมีเสียงอุ้งตีนตะกุยตะกายขวดหินอยู่กลูกเกลได้ยินถนัดมันดังลงมาจากเพิงถ้ำที่ทุกคนขึ้นไปสำรวจเมื่อใกล้ค่านี้เอง ทั้งหมดยืนในลักษณะเตรียมระวังพร้อมไฟฉายและปืนประจำอยู่ในมือกาจ้าค้นหาไปทุกสุมทุมพุ่มไม้เท่าที่ลำไฟจะส่องไปได้แต่ก็มองไม่เห็นตัวคงได้ยินแต่เสียงที่คำรามและตะกุยดินดังสนั่นอยู่เช่นนั้นมันอยู่บนถ้ำแน่ชา ย, ยันร้องขึ้นจ้องตาลุกวาวขึ้นไปยังเนินสูงห่างประมาณร้อยหลาซึ่งไฟฉายทุกดวงสัตว์จับอยู่ในขณะนี้ และทั้งๆ ท, ที่ไฟฉายหลายดวงกลาดอยู่วอลแวรมันก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะเงียบเสียงหรือหลบหนีไปคงคำรามอยู่เป็นระยะระยะเหมือนกับว่ามันจะท้าให้เราออกไปอย่างนั้นแหละมาเรียพูดเกือบไม่มีเสียงพลานใหญ่กัดกรามแน่นขยับตัวอีกครั้งจะออกจากแคมป์ตรงไปยังเสียงคำรามที่ได้ยินมานั้นแต่เชิดท้าเอาแขนปาด อ, อกไว้บอกเฉียบขาดอย่าระพินอย่าออกไปเป็นอันขาดอยู่ในนี้แหละเห็นตัวเมื่อไหร่ก็ยิงแต่ไม่ต้องตามออกไป ปล่อยให้ผมออกไปเถอะครับจะได้จัดการกับมันให้เด็ดขาดรู้แล้วรู้รอดไปสักทีมันก็กำลังให้ผมออกไปเหมือนกันทุกคนคอยอยู่ที่นี่แหละผมไปเพียงคนเดียวจะ บ, บ้าแล้วเหรอมันกำลังรอให้เราออกไปตายมันไม่ใช่เสือธรรมดายอย่างที่คุณเคยพบเห็นมาแล้วดาวรินร้องลั่น และไม่ทันขาดเสียงของหล่อนกัมปนาศเทือนเลื่อนลั่นก็ดังอีกจัดแก้วเสียงที่กระหึ่มกล้องยิ่งกว่าราชสีท่ามกลางความเงียบของราตีสงัดมันสะท้านไปทั้งคุนเขาอิทธิพลแห่งเสียงคำรนทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจจะหยุดเต้นลงในบัดนั้นผานใหญ่กายสั่นเทิมด้วยความขุ่นเคืองเดือดดานใจกริยาของเขาเต็มไปด้วยความฮึดฮัดรําร่ำจะปุ่นผ่านพันแล่นออกจากแคมไปให้ได้ชายยันเห็นท่าไม่ดีก็โดดเข้าจับแขนไว้มัน่น พวกเราเถอาพินนั่นมันเป็นอุบายของมันที่จะล่อคุณออกไปฆ่าถ้าคุณขืนออกไปก็เสร็จมันเท่านั้นไม่มีเสือสามันธรรมดาตัวไหนจะมาร้องคำรามยวท้าทายเราอยู่ได้อย่างนี้ ท, ทั้งที่ถูกเรายิงเมื่อตะกี้ถ้าเป็นเวลากลางวันเราจะไม่ห้ามคุณเลยเวลากลางคืนคุณเสียเปรียบมันทุกประตูผมทราบดีครับว่ามันลอ่อมันท้าทายให้พวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดติดตามมันออกไปก็ต้องลองดูละ่ะ ผมจะฟาดกับมันเองถ้าพลาดให้มันเอาชีวิตผมไปแต่ถ้ามันพลาดเราจะได้หมดปัญหาเรื่องนี้สัทีไม่เคยมีสัตว์ป่าตัวไหนบังอาจมาท้าทายผมได้อย่างนี้ดีซะอีกที่มันรอให้ผมออกไปเผชิญหน้ากับมันกลัวแต่ว่ามันจะหนีไปซะเท่านั้นโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วจอมพานพูดลอดไล่ยฟันออกมาประสาททุกส่วนตื่นโลดเล่านะับบัตรนั้นเองกลุ่มพานพื้นเมืองก็กลู่เข้ามาขวางหน้าเขาไว้อีกชั้นหนึ่งบุนคําจ้องหน้าเจ้านายแล้วพูดทัดทานมาอย่างวิงวอน เชื่อในายใหญ่กับนายทหารเถิดนายมันอันตรายนะบุญคำไม่เคยห้ามอะไรนายสักอย่างครั้งนี้ขอห้ามสักครั้งแล้วพินกวัตปามองดูทุกคนที่จ้องมายังเขาเป็นตาเดียวในที่สุดก็ทิ้งแขนลงอย่างขัดใจสุดนั่งวางปืนควักบุหรี่ออกจุดสูบอัดควันแน่นหนักดับอารมณ์ไม่กล่าวอะไรอีกทางคณะก็พากันนิ่งงนันบรรทดยินฟังเสียงคำรนคำรามของไอ้มหาการที่ดังมาไม่ขาดระยะ ถูกแล้วเสียงชนิดนั้นเป็นเสียงแห่งการท้าทายและเชิญชวนให้ออกไ ป, ปเผชิญหน้าอย่างไม่มีปัญหามันไม่ยอมไปไหนแต่ขึ้นไปร้องอยู่บนปากถ้ำไม่ห่างออกไปนั่นเองขณะนั้นชายยันก็สะบดพุศสวานออกมาอย่างดานใจประทับจ .600 กนในโตขึ้นเหนียวไกลเสียงปานฟ้าผ่าเร่งยิงขึ้นไปยังตำแหน่งปากถ้ำที่เห็นก้อนหินโผล่เรียงรายอยู่นั่นเสียงหัวกระสุนกระทบหินได้ยินถนัด พร้อมกับสะเก็ดที่ปลิวกระจายฟ้งด้วยอำนาจแรงประทะมหาศาลเสียงมันโฮกกึกกล้องแล้วขู่คำรามอยู่ในลำคอติดกันโดยไม่ยอมขาดเสียงไม่นำซ้ำยังตะกุยขวดหินกระจัดกระจายยิ่งขึ้นชายยันขยับจะลั่นกระสุนขึ้นไปเป็นนับที่สองแต่ดาลิมคว้าแขนไว้อย่าไม่มีประโยชน์ปืงลูกเปล่าเก่งจริงมึงโผล่มาไอ้ดำชายยันขบเขี้ยวเคี้ยวฟันตะโกนกล้องขึ้นไป มไม่มีวันหรอกที่มันจะโผล่ออกมาให้เห็นนอกจากจะดักคอยยื่ให้เราตามมันออกไปอย่อยางนั้นอย่าไปสนใจกับมันเลยอยู่ในแคมป์ของเรานี่แหละมันจะร้องคำรามได้นานสักเท่าไหร่ปล่อยมันร้องไปสําคัญอย่าแหลมเข้ามาเท่านั้นแช่ถาบอกแล้วโบกมือกับทุกคนให้กลับเข้าไปยังบริเวณที่นอนตามเดิมเรพินไม่กล่าวอะไรกับใครทั้งสิ้นนอนงายสุบรี่ลืมตา ม, มองดูหลังคาผ้าพลาสติกเฉย พวก่านพื้นเมืองทุกคนก็ไม่มีใครนอนนอกจากนั่งเจ้าพูดกันพึมพำประสาททุกคนถูกปลุกให้ตื่นโชนขึ้นซะแล้วในภาวะเช่นนี้ใครจะสงบใจนอนได้โดยไม่อาทรร้อนใจอะไรเลยก็ต้องนับว่าผิดคนเสียงไอ้มหาการยักษ์ก่อกวนประสาททำให้ต้องสะดุ้งผวาอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเงียบสงบไปชั่วครู่ประเดี๋ยวก็คำรามขึ้นอีก คราวนี้ย้ายไปตามป่าหินรอบๆบแคมป์เหมือนจะเดินวนเวียนร้รองท้าทายยั่วให้จอมพานออกไปแต่พอฉายไฟก็มองไม่เห็นตัวทำเอากระสับกระส่ายหวั่นกังวลกันไปหมดทายใจไม่ถูกว่าพิษตาใดที่มันจะจู่เข้ามาอย่างกะทันหันซึ่งทำให้รับมือไม่ทันเจอเอาสงครามประสาทจากไอเดรชานเข้าอีกแล้วยังไงคืนนี้เห็นจะไม่ต้องนอนกันละชายยันบ่นอย่างอึดอัดใจ เชื่อเหะว่ามันจะต้องไม่กล้าเข้ามาแน่นอกจากจะแกล้งรบกวนเราไม่ให้ได้พักผ่อนหลับนอนกันเท่านั้นหัวหน้าคณะคาดการประมาทอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหะค่ะพี่ใหญ่เราเผลอหลับกันเมื่อไหร่มันอาจเข้ามาก็ได้ก็นั่นแหละคือสิ่งที่มันขู่เราไว้คล้ายๆเตือนให้รู้ว่าพวกเจ้าอย่าได้หลับนอนกันเลยถ้าหลับลงเมื่อไหร่ฉันจะเป็นเข้าโจมตีแน่แล้วผลก็คือพวกเราต้องนั่งถางตาคอยระวังกันตลอดทั้งคืนมันเป็นแผนตัดกําลังบั่นทอนกระส่าเรา ถางั้นเราเพิ่มยามให้มากขึ้นกว่าสองคนผัดกันนอนก็แล้วกันมาเร่เสนอขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งหวาดผวาตื่นกันอยู่ทั้งหมดพวกคุณอย่า ก, กังวลอะไรเลยครับนอนกันตามสบายเถอะผมกับพวกนี้จะรับหน้าอยู่ยามเฝ้าให้เองผ่านใหญ่เปิดขึ้นประโยชแรกภายหลังจากงเงียบไปนานตกลงแต่คุณจะให้สัญญาอะไรกับผมหน่อยได้ไหมเชิาหานมาจ้องหน้าถามน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังสัญญาอะไรครับ สมมติว่าพวกผมนอนหลับไปหมดแล้วไม่ว่ามันจะมาร้องหรือเดินเรียบเคียงล่อเช่นไรคุณจะต้องไม่ออกไปนอกแคมป์เป็นอันขาดถ้าจะยิงก็ขอให้ยิงอยู่ในบริเวณที่พักของเรานี่แหละ แต่ไหนแต่ไรมาใช่ถามไม่เคยขอร้องรับพิดเช่นนี้แต่ในครั้งนี้เขาหมายความในคำพูดอย่างแท้จริงและจอมพานก็รู้สึกในหางเสียงชนิดนั้นสำหรับความรู้สึกของคณะนายจ้างหรือต่อให้พวกพานพื้นเมืองทุกคนก็ตามการที่พานใหญ่อย่างรับผินภัยวันจะออกติดตามสัตว์ร้ายชนิดใดก็ตามในเวลาวิกาลเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดและเขาก็ทามาได้ตลอดเวลาแล้ว แต่การที่เขาจะออกไปเผชิญหน้ากับไอ้ดำปลอดซึ่งพฤติการของมันน่าจะเป็นปีศาจร้ายมากกว่าที่จะเป็นสัตว์ป่าต่างมีความวิตกหึงเกงตรงกันหมดว่ามันไม่เป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งและควรต้องขัดความทับท้วงไว้ระหว่างที่เขานิ่งเชษฐาก็เอามือมาวางไว้ที่ส่วนอกอันนอนหงายอยู่นั้นเอ่ยต่อมาด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนเอาใจ ที่ผมห้ามคุณเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกฝีมือหรือไม่ไว้วางใจคุณแต่พิจรารณาเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงขนาดไอ้แหว่งหรือไอ้กุดผมไม่ได้ท้วงคุณเลยแต่คุณจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้สําหรับไอ้เสือตัวนี้ผมว่ามันเป็นวิญญาณร้ายมากกว่าสัตว์ป่าสามัญพูดเหมือนใจผมก็คิดอย่างนั้นชา ย, ยันเสริมมาโดยเร็วผมให้สัญญาครับโปรดอย่าห่วงไปเลย ในที่สุดจำพันก็รับคําหนักแน่นทุกคนเบาใจขึ้นเอ็นกายลงนอนลืมตาฟังเสียงการยักที่คลางกระหึมอยู่เป็นระยะๆรอะะะบๆทิศที่นอนอยู่มาเรียเปย์ขึ้นเบาๆว่ามันจะลงมากินน้ําหรือเปล่านะบังเอิญแคมป์ของเราตั้งคุมเชิงอยู่ใกล้แหล่งน้ําทําให้มันลงมาไม่ได้ก็เลยวนเวียนงุ่นง่านนั่นเป็นข้อคิดที่มีเหตุผลอยู่เหมือนกันเราพินหัวเราะแค่นๆผมว่ามันไม่ต้องการน้ําเพราะเพิ่งกินไปเมืกก่อกลางวันนี้เอง คุณเห็นมันครั้งแรกหมอบอยู่ริมแอ่งน้ำไม่ใช่หรือดารวินถามแผวเบาวแวกความมืดภายใต้หลังคากันน้ำค้างผืนเดียวกันมา